ตัวนี้ฉลาดนีที่ไหนที่ไหนเขาหูดีตาดีก็ารู้เป็นหมดพระองค์ไหนปฏิบัติยังไงไงไอยู่ที่ไหนดียังไงเขารู้มาเราก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้เป็นที่อบอุ่นของตัวเองนะถ้าอบอุ่นตัวในใจอแล้วอยู่ไหนก็สบายเย็นอบอุ่นนี้มันอบอุ่นด้วยธรรมนะไม่ได้อบอุ่นด้วยโลกามิษณนะ นั่นลูลาลานี่ฟูฟ้าฝ่าแล้วอบอุ่นอันนั้นมันเรื่องโลกเอากินภายนอกเข้ามาโตเหมือนดินเหนียวเอามาติดหัวแล้วก็ว่าตัวมีงอนงอนอะไรก็ดินเหนียวอาหาความอุ่นอะไรได้อย่างนั้นเป็นธรรมชาติของตัวเองสิอยู่ด้วยธรรมชาติของตัวเองจ น, นอบอุ่น มาธิเขาว่าอุ่นปัญญาก็เหมือนกันยิ่มีหวังมีแน่แน่เข้าไปโดยแับจิตเมื่อเข้าช่องแน่แล้วแน่ทางนั้นแนหะแน่เรื่อยๆตั้งแต่จิตเป็นสมาธิมันก็หายความวุ่นวายสงบเย็นอยู่ภายในไม่ได้มากกว่านั้นก็ยังสบายเย็นสบายอนยะ่างนั้นคือมันไม่คิด ถา้าจิตไม่มีสมาธิเลยไม่มีฐานแห่งความสงบเลยเนี่ยไม่ใคยๆก็เหมือนกันก็มีด้วยกันทุกคนฉั้นเราอย่างผมเองโอ้จนเหมือนกับว่ามันเข็ดจริงๆขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าจิตเสื่อมไม่ได้เสื่อมต้องตายมันมาดูสิมันเข็ดไม้ขนาดนั้นไม่เข็ดจะลงขนาดนั้นได้เลยเพราะจิต เวลาจิตไม่มีฐานในสมาธินี่ไม่มีอะไรเกินในเรื่องความวุน่นวายเอาไฟเผาเจ้าของไม่เผาจริงจินะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเลยมันก็เผาไ้อกอะไรนั่นร้อนร้อนจิงจรงะยิ่งจิตเสือมจากสมาธิเรื้วยๆยิ่งร้อนยิ่งกว่าจิตไม่มีไม่เคยมีสมาธินั่นก็มไม่เคยมีสมาธิ มันรอดยังไงมันก็อย่างว่านะพอมีเครื่องเทียบกันแล้วเครื่องเทียบก็หายไปนี่หนิ น, นนะไม่ทุกจริงๆงทุกอย่งไม่ลืมทุกวันไ ม, ไม่ลืมนะมีแต่เรื่องปืนเรื่องไฟเผาเมื่อใจนนะไม่มีที่อยู่ที่เกาะเลยนะพอจิตกี้าเข้าสู่ความสงบเป็นหลัง เป็นสมาธิแล้วเย็นสบายมีหลักเรียมีที่อยู่มีที่อาศัยมีที่เกาะพอเย็นสบายนี่นะที่นี่ก็ไม่วุ่นหรอกกับทางนอกเพราะได้ที่เกาะแล้วสมายเย็นถึงจะ ม, มีความรู้ละเอยียดแห้มคามมากกว่านั้นก็พออยู่พอกินพูดยังไงนี่เป็นมาอย่างนั้นนะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องศาสนาธรรมจะให้ดื่ได้ยังไงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ติดเสื่อมผิดเจริญเป็นเรื่องของาสัจธรรมนั้นมันลืมไม่ได้่เสร็จก็มีวันติดจังนะรถตรวจร้อ น, อนทุกในเพศของผ้านี้กบทุกกอนติดเสื่อมอะบางนั้นเลยบักสันผ้าน่าเสบนนี้ที่เขาวแนนะ่แม่นมาเนาะแม่นบอก นี่ม <watering>, ึงมานีไปฝุ่นไปเอาพุนุ่นมันง่ายไปเล่ยๆบ้างมันง่ายก็บกหนังบกอ่านนี่มันห้อนเลยมันก็ะินหน้าด้วยยังมายงนัมายุ่งบัมายุงบกสันผ่างไง นู่นไปนี่คุณเย้เฉยมันก็เป็นไฟหนึ่งเป็นขนานนั้น่ะมันมันเป็นของมันนั้นนะมันอะไรคือไม่ถูกมันเหมือนกับไฟอยู่ในเตา่นะถ้ามันมีเชื้อไฟไม่มีปูนใส่ก็ไปมันก็เป็นถ่านมันแดงโล่งอย่อนี้อเหนไหมคิดเห็นมันเกี่งเรื่องความสงบที่เคยเป็นมามันไม่ได้มันไม่เห็ น, มนไม่รู้ มันไม่ได้อย่างที่เคยเป็นมันก็มีแต่ความร้ อ, น, อนนี้มันก็ไม่ลืม ล, ลืมไม่ได้พอกิตมันสงบไปแล้ ว, ม, ออลวมันจึงจะเอากันใหญ่เอาให้สมใจน ะ, แ ล, ะจแล้วใจเรามันเป็นมิสัยอย่างนี้จะด้วยหรือว่าเป็นมิสัยผาโนโผล่ก็ถูกมันผลจริงๆถ้าลงเหตุผลพร้อมแล้วอย่างไงมันก็ขาดไปบ้านไปเลยไม่มีคําว่าถอย นี่ก็เหมือนกันมันได้เข็ดซะพอแล้วก็มีแต่เอาตายเป็นเครื่องประกันเลยถ้าเสื่อมต้องตายเท่านั้นเป็นยานอื่นแบบไม่ได้เลยตรงนีนมันหนักเลยมึงกำนักโทษมหันตโทษคารุโทษะไม่ต้องอยูตลอดเวลานะให้มันกระดิกไปไหนได้เป็นสบายก็อยู่ไหนก็สบายสบายตามขั้นมันนะที่มันสบายแต่มันไม่มันไม่ละเอียดยิงกว่านั้นเลย เพะสมาธิมันเวลามันเต็มที่แล้วมันมันก็เหมือนน้าเต็มแก้วเนี่ยมันพอเหมือนกันเห็นเรื่องเนี่ยไม่ใช่มาอุจริพูดมันเห็นอยู่ในหัวใจของเพราะมันทํานานขนาดนั้นเรื่องสมาธิกาหนดนื่ลงทันทีได้เลยไม่ต้องไปให้เสียเวลาไม่หลานเพราะความํานานยท่านบอกว่าสีการเข้าการออกของสมาธิมม่ชานาน มันก็แค่นั้นพอลงไปพอลงเนี้ยมันก็แน่วอยู่มีความรู้อันเดียวเท่านั้นที่ละเอียดปรากฏ ว, วันในปรากฏ้นนั้นนะที่ยังไม่มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องนะมันว่าละเอียดสุดสุดแค่สมาธินั่นแหะมันพอมพอลงไปได้ก็อดูแค่นั้นให้เลยนั่นไม่เลยเนี่ยยิ่ว่าเมื่อมันเต็มภูมิแล้วมันเท่านั้นน่ะมันไม่เลยว่ะสมาธิ เหมือนน้ํ า, าเต็มแก้วขั้นสมาธิเต็มภูมิก็เหมือนกันอันนี้พอออกทางด้านปัญญาละสิมันถึงกว้างขวางละเอียดละออนมากยิ่งกว่านั้นเขาอีกจงกระทั่งถึงได้ย้อนกลับมาตําหนิสมาธิมันนอนตายเฉยหว่านั่นแต่ก่อนก็ชมก็ยินโถใครมันลากคอก็ไม่ยามออกคอขายยังไม่ยามออกจากสมาธิวะแล้วบอกเวลาออกทางด้านปัญญา ความละเอียดตอทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนก็สู่ความละเอียดยิ่งกว่าสมาธิเป็นลำดาบลำดาบมันก็ย้อนมาตําหนิอะไรสิโอโหสมาธิสมาธินี่มันนอนตายเฉยหัว ม, มันก็ไม่พอดีอยู่แล้วแล้วออกทางด้านปัญญากับผลผาดผลมากเดียว ถึงถึงถึงคายบางคืนนอนไม่หลับเนี่ตลอดรุ่งไม่หลับกัางวันนั้นจะไม่หลับอีกมันจะตายแล้วมันทำไงดีวะทางานไม่ถอยอยู่เห็นความละเอียดความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดไปโดยลำดับลำดับจริงๆนั่นแหละทึงว่ามันพิสดารขั้นปัญญานี่ยพิสดารเกินข้าใครไม่จะมาข้าไม่ได้ข่าเรื่องปัญญา ไม่เคยรู้มัรู้สิง่งไม่เคยเห็นเห็นสิ่ไม่เคยเป็นเต้นขึ้นมาเต้นขึ้นมาไม่ทราบมีเหตุมีผลให้เป็นหรือไม่หมก็ไม่สราบแล้วเพราะมันรวดเร็วของมันใครจะได้เอาเหตุและผลไปจับให้ทันกันความรวดเร็วของของปัญญามันรวดเร็วขนาด น, นั้ น, น, นถ้าผมไปมันเป็นเหนียวแล้วไม่ทราบหายหน้าไม่เหมุขวิปัญญาเห็นมัน ฟังสิอันนี้ก็คาดไม่ถูกอีกเหมือนกันไื่ใจ่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะแต่ประเภทนั้นอนะประเภทที่ต่อสู้นั่นนะมันหมดไปเลยเงียบไปเลยใช่นะ <c oughs> เพื่อที่เราจะใช้พิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำอะไรต่ออะไรนี่มันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งถ้าอะไรมีเรื่องสัมผัสพับนี่มันจะตามงมันนะ มันรู้รวดเร็วกันนั่นยังดีก็เมื่อจิตนี้เมื่อไม่มีอะไรมาบีบมาบังคับมันแล้วจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตมีแต่กิเลสเท่านั้นแหะบีบบังคับไม่ให้กระดิกตัวได้มันกระทุกเลยสี่เมื่อถูกบีบตลอดเวลาแล้วเปิดออกหมดแล้วจะ อ, อะไรมาทุก ว่างเรื่องว่างหูเรื่องว่างไปทั้หมดเลยโลกมีอยู่นี่แหละเหมือมันอันนั้นมันไม่ไปยอมมันไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ได้รับมันเป็นธรรมชาติเรื่องว่างเลยตัวเองนี่นะไม่เหมือนโลกไม่มีตาก็เห็นอยู่หูก็ฟังอยู่แต่มันเหมือนโลกไม่มีอย่านี้ในหลักธรรมชาติทั้งหมดเป็นมันเหมือนไม่มีไม่มี ามาเวิวางคือหมายถึงธรรมชาติคือดูนั่นดูนี่ยับยบมันเรื่องสมมุติน่ะมันเกี่ยวกับสมมุติต่างหากคือมันเมื่อมีขันอยู่มันก็มีสิ่งสัมผัสกันให้รับทราบสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นธรรมดาสิ็งสังขารนี่มันก็ะรุงได้ทำไมปุงไม่ได้ไม่ใช่คนตายหมดมันก็ะรุงได้แต่มันก็ มันกระปุงเพียงปุงแล้วมันก็หนักของมันไปมันไม่มีตัวรับช่วงไปเพราะไม่มีไม่มีตัวหนุนมันมนแต่ก่อนอวิชาที่ตัวหนุนปัจจัแล้วก็สั้งค่าราึ้นหนาแน่นเพราะว่ามันไม่มีเหมือนยิงฟูดวเหมือนหา ง, งกิ้จกหางทิ้งเหลียญขาดไอดิ่ดดนลึก มันหมดอันนี้แนละ้วมันกลงสภาพอมนันอันนั้นท่านก็มาสงสัยแล้วจะว่าอะไรอยู่ละพูดไม่พูดท่านก็มาสงสยัยจะว่าอะไรพูดออกมาเป็นคาเป็นคำมันก็พูดมันโลกมีสมมติก็ว่ากันไปอย่างนั้นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สงสัยตัวเองใช่ไหมหางดินะนะ ตกน่ะเป็นอย่างวงกรรมฐ า, านเนา อ, อันจะเป็นอย่างที่ว่านะมันจะค่อยหมดไปหมดไปะต่อไปจะไม่มีเหลือมีแต่ชื่อกรรมฐ า, านเกไอ้ที่ไหนถือเรื่องวัตถุถือเรื่องแบบโลกๆเอามาเป็นใหญ่เป็นโตพายในหัวใจมาเป็นาละพลังอะไรแบกหามอยันเรื่องธรรมะกิรลสไม่มีมีแต่เรื่องสังสมกิเลส ในวงกรรมฐานนี้น่มันสาคัญพอจะพักที่ไหนนี่เรื่องคือเกิดแล้วจะไปพักที่นี่แล้วเอาขึ้นแล้วอะไรอะไรอะไรอ น, นั้นไม่มีอันนี้ไม่มีเนี่ยเห็นไหมละ่ะนั่นเรื่องโลกเขาเองนั่นโลกเขากันนั้นไม่มีนี่มีดีดนั้นดีดนี่ยุ่งอพาเราก็ไปที่ไหนก็เอาแล้วสร้างนั้นสร้างนี้ นั่นไม่มีสลามมีกุฏิไม่มีเออนั่นไม่มีนี่มียุ่งควนแต่พวกญาติพวกโยมประชาชนเขาเบื่อจะตายหัวใจมันเต็มไปด้วยความหิวความกระหายความอยากความดิ้นรนอย่างนั้นมันไม่ดูมันจะไปเห็นที่ดับกันได้ยังไงมื่ไม่ดูต่างคนต่างดีต่างดิ้ดนสุดท้ายก็แข่งกันอืวัดใครสวยงามหรูหลาอืม แข่งกันมันก็เป็นเรื่องโลกไปดีๆนี่จะเป็นเรื่องอะไรลองทำแท้เห็นนี่ตำหรักตำราก็มีใครเป็นคนแสดงเขาพูดได้เจ้าแสดงท่านนยกถิ่งนี้ว่าเป็นของสาระสาคัญที่ไหนไม่เห็นหมีตรงไหนก็มีแต่ทิศสุดทั้งหลายที่สุดั้งหลายขึ้นเรื่องสมาธิขึ้นเรื่องปัญญานี่เลยการที่อยู่ที่เดินจงกรมที่พักผ่อนมีอยู่ที่ไหนมิถ่ป่าแต่เขานั่นฟังด้ว มันมีที่ไหนที่รู้หลานอกจากให้รู้หลาทางสมาธิรู้หลาทางด้านปัญญารู้หลาทางความภาคเพีเยร น, นี่าศาสนาท่านสอนอย่างนั้นใครจะมาโกหกกันได้ก็เรียนด้วยกันนี่วะจะทำมาชลัยมัน ก, ก็รู้กันเหมือนกันทีละแบบมันมีอยู่ธรรมการเครื่องยืนยันมีอยูอ ม, มันทําให้คิดมันจะเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องสงสยัยละ ยุ่งการกอร่อการสร้างการวุ่นวายติดต่อผู้คนญาติโยมถ้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้ใรมันดิ้นแล้วใครมีบริษัทบริวารมากเหมือนกับว่ามีหน้ามีตามีฤิธาสัตดานุภาพตีนผ้าก็น่าแบบปังอ่นั่นมันเปียง เนี่ยตามอื่นเอาแเอาหนาา้าผากมันบบ อ, อ, มออกออกมาจากหลักธรรมนะไปเป็นคติสอนคนธรรมจริยาธรรมจริยานคือออกมาจากหลักธรรมเวลาเราดูไปดูไปถึงไปรู้ไปเห็นนี่นู่นอ๋อนี่ที่ไปทําเป็นหนังสือสอนเด็กอะไรนี้ออกมาจากตรงนี้ตรงนี้นั่ น, นเป็ น, น, นอย่างนั้นอย้าอึ๋งอ่างกรบวัวก็เหมือนกัน <c oughs> อ่างก็ว่าแม่ ต, ตั้งคุนดีนะ แม่ไปเที่ยวหาที่นี่อะไรอื่นอ่างอยู่กับลูกวัวแล้ววัวมันก็ม า, ามาเที่ยวหาทิ่กินวัวก็ดีไม่มาเหยียบรานั่นอย่นี้เดี๋ยวมันจะเหยียบหัวอื่นอ่างอ่ะนะเ <c oughs> วลาแม่มาก็เล่าแม่ค <c oughs> บขันดีเลยนิทานนี่ก็น่าฟังนะเป็นกษัตริยดีเหมือนไอ้ปั้งเลยปีปั้งแล้วกันวางเหมือนไอ้ปัง เวลาแม่หาจินมาไว้แ่ะอึ้งอ่างแมาจิ้นแม่หากินมาแล้วบอกแม่วสัต์ตัวหนึ่งมาที่นี่โอ้ใหญ่โตมากเกิดจะมาเหยียบหัวหนูวางนกล้อยมันจะมาเหยียบหัผมวางอะไรนะหมอตัวใหญ่หัวใหญ่ขนาดไหนมันก็อึ้งแม่มันทําท่าฟองกอึ้งอ่างต้องทำปั้นไปเมื่ไหร่เท่านี้ไหม โอ้ยใหญ่กว่านี้ไม่มีมันไม่สนใจสิอะสว่าไงไอ้นี่และน่ทานทื่ว่าอืกอันน่นเท่าที่ผ่านมานี้ดูมันการจะมีมากกว่าที่นี่เป็นป่าเป็นเขาหน้าอยู่ทางภาคสามหมดไปแล้วล่ะภาคอื่นก็ทำนองเดียวกันนะมั้ แลเท่าที่เราผ่านไปเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูอย่างดี ท, นนดดอทอดว่าเนี่ยไอ้ดงสีชมพูเนี่ยดวงม้ทองนี่ดวงผู้เสิงผู้วัวเนี่ยผู้ลังกาเนี่ย ม, มันมีสามจังหวัดมันเข้ามาจดกันตรงนั้นนองคายก็ผู้ลังกาเนี่ย ตั้งแต่บึงการไปแล้วควรวิสัยบึงการแบบเป็นป่าเป็นดงนี่เป็นเขตหนองคายไปจนมาะทั่งถึงนูง่นต่อทางบ้านแพงอําเภอบ้านแพงจังหวานนาหัดนครปนมดงตรงนั้นทางด้านนี้ก็บสกนนลนครเนี่ยแยงเข้ามานี่อุดร์ก็เป็นดงเม่าทองอำเภอหนองคา่แยงเข้าไปนี่เนี่ยตใหญ่นะ่ะ ซึ่แต่ก่อนนี่โด่งใหญจริงๆนะสัตว์จนมันเลยบางไม่ไมันรู้จักคนไม่รู้จักกลัวก็มีขนาดนั้นนะ่ะมันเป็นเหมือนกระสวนสัตวนะ์สัตว์มากขนาดนั้นนะแต่ก่อนเพราะไม่มีใครไปยุ่งไปกวนมันเลยผู้คนก็น้อยไก่ฟ้านเนี่ยมันมันเห็นคนมันยิ่งไปอุงหัวสุกไปเลยเราเดินไป ม, มันเห็นคนมันยิ่งไปมันเอุหัวสุกไปหัวสุกเลยมัน ไม่รู้จักที่จะวิ่งไปไหนมาไหนมันไม่ควรกลัวไม่เป็นช้างนี่ใหม่มากจริงนะพวกสับพวกเนื้อเนี่ยเสือเนี่ยมากจลิงยันนี้มีอะไรเหลือไหมหมดอันนู้สิคือผมได้เที่ยวจนแต่ก่อนตั้งแต่ปศแปดที่เก็ดเที่ยวไปแถวนี้คุณท่านไม่รู้ได้ชัดตอนนั้นไม่มีไม่มีผู้มีคนไปถนี้เพรากลัวไข้ไข้กัน เขาไม่รู้เลยว่าใขรมาเรียนมาเลยเป็นปยังไงนะเขาว่าใครป่าคนทุกุ่งไปนี่ตายกันต้องแตกบ้านแตกเมืองกลับไปบ้านเดยมเยอะนะไปมันตายใขรมาเรียนนี่ทุนเขาไม่รู้เลยเรือ่องเป็นยังไงทีนี้เวลาคนมันมากเขามากเขา ม, าขามนันดันเข้าดันเข้าไอ้ที่นี่เป็นกับตายก็เหลือตายพวกเหลือแท้ก็กกอยู่มันก็เลยหมดและป่านั่นแถวนี้จึงมีเรื่งเกิด คนต่างจังหวัดเอไปอยู่นี่อุบลมากมุกดาหารนครพนมไปก่อนนครพนมแ้วอ่ามหาสารคามลแล้วเอีดแถวนี้ห่หลางลายเข้มามันทั้งหมดเลยเห็นแต่ก่อนเราไปเห็นนั่นกลับไปเที่ยวนี้ไม่มีเลยฟังสิมีที่ตรงไหน ช่างที่ว่าเป็นออ้ยเป็นร้อยร้อยพันพันเงี้นะมีที่ไหนมีช่างกี่เชือกกี่ตัวอยู่แถวที่ว่าผู้สิงผูอ่าผู้ผู้ผูว่าที่ท่านอุทัยอยู่นั่นที่เขาสงวนเอาไว้มีช่างอยู่กี่เชือกก็มีลงมาข้างล่างกันไม่ได้นะเพราะเขาทําได้รําสวนหมดแล้วมันก็อยู่แต่ข้างบนลงมาไม่ได้ ดูเลยหมดจริงๆอะ่ะเพราะเที่ยวที่สองนี่ผมเที่ยวแหลกหมดเที่ยวที่สองเมันกระลุกหมดสภาพแต่ก่อนกับสภาพทุกวันนี้เป็นไงเนี่ยมันทำลายกับอย่างที่ว่าทั้งนู้นกไปที่ไหนเราเคยไปซ้ํำๆนี่นมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเอ้าเจ้าบอกสันผาเอ้อามผมมาผมเขียนไปทั้งนอกแล้วผมจะย้อนกลับมาเขียนอันอีกนะ ปฏิบัติทางพระตร u กรรมถานสารกุ้มั่นนะที่ว่าเเสือมันมากัดกันอยู่ใต้ถุนชลาหนะคือไม่มันไม่ใช่ชลาเราอย่างปลูกอย่างนี้นะคือมันเป็นนั่นอ่ะมันเป็นถ้ามันหินเนี่ยว่าหินมาอย่างนี้น่ะแล้วถ้าอยู่นั่นถ้าเตี้ยเตี้ยน่ะพวกเสือพวกอะไรมันเคยมาอยู่นั่นมาพอแล้วเหลามันเป็นกาเลของเขา เวลาพระท่านไปอยู่ที่นั่นหลวงปู่ขาไปอยู่ที่นั่นก็เลยเห็นว่าทําเลนนี่มันสะดวกสบานไม่ต้องมุ่งอะไรบ้างลําบากละมุนมากนะอันนี้คือมันการเอาไม้คาดนี่ขา้างบนนี่นะเอาไม้มาคาดนี่กับมาปูเอาอะไรมาปูนี่ข้างบนนี่อยู่เนี่ยไอไอข้างล่างที่เป็นถ้าของเสือแต่ก่อนมันที่มันเที่ยวมาอยู่นั่นแหะมันเคยมาอยู่นั่นแหะมันก็อยู่ตามปกติของมันแ่ะคนก็คาดอนี้ไว้อยู่ข้างบนนี่น่ะเรื่องมัน เห็นเวลามันกัดกันโน่นกัดกันนี่กัดไปมามันก็เข้ามาด้านใต้เห็นมะกัดยตรงใต้นี่บางคนก็จะงงตรงนั้นนี่ทาไมมันต้งมาอยู่อย่างนี้เลยนี่ว่าผมจะอธิบายแล้วพอหานไปเลยนี่โอ้เสียข่าเว้ยว่เพออธิบายไม่อื่นไปแล้วพอสมควรนะถึงจะย้อนมานี่จะหน่อยว่ามันที่นี่มันก็เลยลืมก็เลิดไปเลยจ้ะนี่แหละทําให้บกช่องไร่อย่างนี้คือมันเป็นหินนี้ ไม่ามาฆ่านบเนี่ยพออยู่ได้ดีๆเป็นสลาสาเล็กพอพอดีก็พระสี่ห้าองค์สามสี่องค์นี่ไงปีนั้นถือกำสไสด้วยกันเนี่ยทางดงมาทองดงแล้วนี่ไปนี่ยเสือมันเกาะวองเสือมันมากมช้างก็มากเสือก็มากแต่อไมริกาค้านะ กัมาเอากระดานษนี่มาปูนี่บนอยู่ข้างล่างนี่มันก็มันก็เป็นถ้าของเป็นลื่นเอาไป็นถ้ำเตีย้ยนักคนอยู่ไม่ได้ละมันจะเตี้ยนแต่พวกสัตว์มันอยู่ได้สบายสิมันที่อยู่ของสัตว์ของเสือน่ะน้าละมันเคยมาคนไปอยู่ข้างบนนั่นมันก็มาข้างล่างมาอยู่มันกัดเป็นยุงล่างมันขนองเสือข้นองเรื่องมันเป็นอย่างนั้น เนี่ยที่ว่าผมเสียใจที่ผมลือมอธิบายตรงนี้เกี่ยวกับหรือผ่านไปเลยเหี้ยนั่ ง, งผมแต่ว่าผมปูขาตั้งแต่ไปเกี่ยวนะแล้วขึ้นของพูังคุลังกาเยลาตอนบ่ายๆคนขึ้นไปบนไหลเขานะแล้วมองลงไปนุ่ น, น, นหินดาน ตีนเขานอะนะหมวกเข้ามันร่นไปหมดโอ้โหโค้งช้างเต็มไปหมดเลยมันเล่นมันหยอกกันมาแห่ตัวใหญ่ตัวเล็กหยอกเล่นกันตอนห้ามงเย็นมันจะออกหากินมองลงไปเต็มไปหมดเลยช้างเดี๋ยวนี้มีที่ไหนใครได้ยินแั่ชื่ออย่างเล่าฟังเป็นเป็ น, ปนพียงว่าเล่าเป็นนิทานแต่ละอย่า มันข น, นานั้นอย่างหมดกระทิ้งกระมีหมดกระทิง้งหัวแดงมีเต็มไปหมดพวกหมูพวกวังนี่ไม่ต้องพูดแหละสัตว์ตาพวกนกพวกไก่ทางอนนี้อะไรที่ว่านกนทางนี้เขาเรียกนกนกคอนอ่ะยี่หล่ายี่เหล่ายี่หล่าเต็ม มอนี่แหะที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนี่ทางที่เราไปเคยไปที่นี้เหมือนกันเพราะผมมันเที่ยวไปตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ภูเล็กภูเล็กเยอะเรื่อยไปนู่นถึงอำเภอเรนกทานมันเป็นทำเลเที่ยวมันเป็นภูเขาลูกนี้ต่อลูกนั้นลูกนั้นต่อนั่นยี่ยาผมไม่ใช่ลูกเดียวมันไปอย่าวๆนี้นะลูกนี้สุดแล้วลูกนี้ต่อลูกนั้นสุดลูกนี้ต่อมันสนับทับซ้อนกันไปอย่างนั้น่เวลาไปถึงรู้ มองลูเขาว่าจะไม่มีทางไปมันมีมันไม่ใช่ลูกเดียวมันไม่รูกกี่ลูกล่ะสลับครับเดี๋ยวนี้ก็หมดเนี่ยเขาทําสวนหมดตรงไหนที่พอทําได้นอกจากหลังเขาจร้งจริงเตี้ยเขาแหลกหมดเลยงั้นเลมีอะไรมาเหลือมันหมดโอ้น้าเสียดายจากนี้จากวันเรานี้ออกไปถึงี่ กูขเขาที่มองเห็นหนึ่งกับดงนั้นก็หมดอย่างที่เห็นนั่นแล้วอย่างที่เราไปนั่นะผมพาหมูเพื่อนไปไปบ้านน้องฮง น, น้องไฮไปบ้าน โ, โคราตโคลเลอรนี่นะไปนั่นน่ะนี่และดงใหญ่ทั้งนั้นอันนี้นะ ด, ดูสิบ้านคนมีเมื่อไหร่ไม่มีเลยบ้านคนเดี๋ยวนี้ไปดูสิมันเป็นยังไงไม่เขาก็ตั้งอำเภอกีนอำเภอหนองแสงเห็นไหม <c oughs> นี่หละดงใหญ่เลียาวไปนู่นนะไป ผนแต่เนี่ยติดต่อกับทางชายภูมิต่อกันนี่ภูเขาลูกนี้ผมอันนี้ผมก็ได้ไปอีกด้วยเท้านะเดินในเท้านะก็ไปตั้งแต่อําเภอน้องบัวลาพูเนี่ยเดินไปตามไหล่เขาเรื่ อ, อยบ้างแห่งก็ขึ้นหลังเขาบางแห่งก็ไปตามไหล่เขาบางแห่งก็ไปตามตีนเขาตัวมาทั่งลงผนกันอันนี้ผมเคยไปแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจึงว่าจะไปทางด้านนั้นทางด้านนี้จะไปแล้วไปวันนั้นะ่ะ มันจะไปดูทางแถวนี้ฟาเชนุ่มรถมันปาไปภูเียงนึกว่ามันภูเียงมันจะไปเลียนเรี่ยมที่ไหนด้านมันไปงูบุ้นโมดผาเลยไม่ไปเฉียดเอิ่เลยเขาลุงนี่ผมเคยไปแต่ก่อนเกี่ยวกับมฐานไมนพูดถึงเรองป่ามันหมดอย่งนั้นแหละดูเอาที่ว่านี่หมดเลยไม่มีเหลือ ไปคขาวนี้ไม่มีอะไรเลยก็มีนิดหน่อยนะที่ว่าที่ท่านอุทยอยู่มหาธรรมบูชาอะไมาเทราะนั้นช่างมันก็อยู่นั่นนะพออยู่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้นะส่วนสัตป่านี่เรายิ้มจะหมดแล้มั้งด้อมยิ้กันเลยด้อมยิ้มกันเล ย, ย, ก, เลยก็ยังนั่นอย่างหน้าทุเรียตีว่าช่างแต่กลอนมันมากต่อมากเลยนะมดเลย น, นี่กับคนแล้วมันเป็นอย่างเดียวกันนะเป็นแบบเดียวกันแต่ทางนน้นกับทางทางบุกดหานประจำนั้นก็มมาานนกผมกไ็ไปอีกแล้วเนไปดูแล้วมันก็มีเลยโอ้ดูเลียจริงๆนะผลมันมากแต่ ท, ทาไงไม่ได้สร้างอยู่สร้างกินก็อยู่ไม่ได้มนุษย์เราไปที่ไหนก็ต้องสร้างอยู่สร้างกินมีไร่มีนามีดัว้วมีสวนนะี่มันก็ต้องไปบุกเบิออกไปเนี่ย ือที่ยังอที่อยทางอำเภออะไรทางสะแก้วสะเกศอะไรนั่นก็บินจันตะขามมันเป็นโด่งใหญ่ด่งโตดูเอาสิอาหาจันทบุรีนะดูเอามันก็อย่างนั้นแล้วเหมือนกันหมดมันต้องเลยบุกเด้อบเบิกไปหมดคนอยู่ที่ไหนไม่ใช่กินดินเป็นเหนียวทั้ง ทั้งที่ว่านี้มันรัมมันกินคนนะที่ไม่รู้ว่ามันฉลาดโอโ้โหเสือนี่มันฉลาดมากจริงๆนะฉลาดมากไงมันไม่ไปอยู่ในโด่งใหญ่ๆนี่รัมจะกินคนมันเอบมาอยู่ในเนี่ ย, ย ร, รอบบ้าน ร, บรอบสวนเขานี่แล้วใครทำงานงานเขาจะไปขุดสวนขุดไรอะไรที่อยู่ไหนใหม่ๆ ม, มันจะไปอยู่ตรงนั้นนะที่ไม่รู้ ว่ามันหลาด น, นะคนไปทำงานอะไรที่นี่นใหม่ๆ ม, มันรู้นั่นหันเตือนนะคนไปยมันงับเลยแปลอยู่นะมันมีอยู่สองตัวคนหนึ่งอยู่ทางนน้นทางอะไรทางจังหวัดมุกดหามอันนี้นน ก, กินคนเหมือนกั น, นกถูกเขาฆ่าละถ้าสัตว์อันนี้ถ้าจะกินคนไม่นา น, นะถูกเขาฆ่าล ตัวนี้ก่อนทุนทันได้กินแปดคนไปคาดิแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ากินแปดคนมันฉลาดจริงๆถ้าได้กินคนตรงไหนแล้วคือกินแล้วไม่ซ้ํานะพอกินบ้านนึงนะปัะ๊บนี้เลยหาเนะี่ยไปกินบ้านมปั๊บโอ้ไปกินบ้านมนึงมันมันไม่มาซ้ำเหมือนก่านนะนี่แหละพี่ว่ามันฉลาดอีกแบบนึง ผมไปอยู่สามผง น, น้าเขาฆ่ามาใ ห, ใหม่ผมไปอยู่แกวนั้น อ, อะไรเขาเรียกกำนันกำนันสังนี่แกเหนียวนะพูดถึงเรื่องนี้แกเหนียวอยู่นะกำนันกำนันสังดูฟันนี่ไม่เข้านะี เ, าเรียกเหนีย ว, นยวคนแต่ก่อนมันมีศยศาสตร์ ถ้าว่าเป็นนักเลงแล้วยิงก็ไม่ได้จริงนะฟันก็ไม่เข้า <c oughs> ถ้าว่าเป็นเป็นนักเลงเขาไม่เรียกว่าเสือเขาเรียกนักเลงลเคยเป็นนักเลงก็เป็นอย่างนั้นแนหะมันทุกวันนี้มันมีแต่ใจอันนี้กำลังสั่งนี่ก็กไปแต่ไปเที่ยวหายิงศัตท์นั่นแหละปืนปืนยูกซอมค่ำอ่ะ เรวก็เดินตามทางมาได้ยินเสียงฟันมันล่องแย้แย้กักกข้างทาง น, นี่เราเราพูดถึงเรื่องความเร็วของเสือนะมันเร็วขนาดมันเวลาเกี่ยมาเกียยเข้าไปเกี่มันล่องแก้กนะันคือเสือด้อมไปไปกัด ม, มันเห็นเสือหรือมันได้กลิ่นเสือก็ไม่ทราบนะล้ลองแก๊้แก้กับคนก็ด้อมเข้าไป นี่เสือมันอยู่นั่นแล้ค่ำแล้วยังไม่มืดจนจะมืดแล้วเพราะยังเห็นเสือชัดเจนอยู่ในป่านี่พอแกแ่ก้มมึุ่งเนี่ยเนี่ยที่ว่ามันเร็วขนาดไหนคือมันมันฟานมันร้องแจ๊กเกอร์อยู่นนเอ้เสือมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะพอแกก้มน่งแต่ก้มหนุงรอดอันนี้มันปั๊บเลยไม้แท้มาจากไหนประมาณนั้นมันตก เือใหญ่ตัวนั้นนะ่ะตัวที่เคยกินคนมันจะเอาโต๊ะไว้ตบอย่างแรงเลยจะล้มเลยแกว่านะเต๋อทียจะล้มล้มลงไปเลยไม่เห็นอะไรนั่นนะฟังดิมันเร็วไหมมันตบคนอย่างแรงแล้วคนจะล้มลงไปแล้วงมองหาที่ไหนก็ไม่เห็นมองหาอะไรก็ไม่เห็นแล้วว่าไม้ตกลงเส่เราก็มองหาไม้ก็ไม่เห็นแกกาลังงง แรงคั้งหนึ่งมันตายไปแล้วเราวางนั้นนะมันตกแรงขนาดนั้นนะแต่มันไม่เข้านะเนื้อที่ว่าแกแกเหนียวนะ่ะถ้าธรรมดาโอ้โหเลือดสาเลยมันตกก็ต้องตกอย่างงี้คือตกไม่เข้าแต่เก็บแกว่างั้นนะยังไม่คิดไม่นึกเลยว่าเป็นสุขันนั่นอนะ่ะฟังสิแกไม่นึกเลยแกกําลั ง, งงงแล้วมองดูนี่มองดูบริเวณที่ที่แกล้มนี่นะ่ะ มันอะไรตกมาใส่แกอย่าวางนั้นแล้วมองข้างบนก็ไม่มีแล้วมองนี่จะมีไม้ที่ตรงไหนที่ว่ามันตกลงมาใส่แกมันก็ไม่มีใช่ไหยิงตรงนั้นก็ไม่มีอะไรทีนี้พอนั้นแลจะปืนจะกระดุดมือล่ะตกไปแันจะก็ขว้าปืนมาแล้วเรียบร้อยแล้ ว, ล ว, ลวนี่เดี๋ยวว่าแกยังไม่สะดุดใจเลยว่าเป็นเสือนะแกงั้นเข้าใจว่าเป็นเป็นไม้ตกมาทับแกนะ่ะทับแขนแก ยัมองมนมันคือไม่เห็นเสือเลยมันมันตบแล้วมันไปไหนฟังสิมันเร็วไหมน่ะมันก็ยังไม่มืดนี่โน่นบอเวลานั้นเสือเดี๋ยวเดินมันเดินมันฉากรมานั่นทีนี้เห็นแล้วนะมันจะเอาอ่ะทีนี้มันนึกว่าคนเสียท่าแล้วล่ะท่ามันก็ฉากรมานีโอ้โหลายพาดก่อนใหญ่โอ้โหตัวนี้เองนี่จะวางนั่นแล้วก็ปืนเส้วก็เอาปืนข้าดินนี่ ก็เลงพอดีเลยปืนเปียกเนี่มันก็โอ้โก๊กไปเลยถูกแต่เรื่องถูกมันแต่มันไม่ไม่ถูกที่ถนัดววามนั้นนะเรา ต, ต้องออกมาปื น, ปนยิงแขนข้างหนึ่งยิงดีนี่ยิงโยกก็ยิ ง, ยงไม่ได้เพราะเผือ ม, มันฉากระว่ามันจะเอาแล้วคนก็เลยยิงยิงกะว่าให้พอดีกับมานแล้วก็ยิงเพอปืนดังนี่นมัน ลองโร้ ก, ก็ไปเลยเนี่ยความพูดถึงเรื่องความเร็วของมันนะมันออกมาถึงเรารู้ว่าเป็นเสือมาตกพูดง่างยๆนะพอกล้งองเห็นแกกรูลทันทีแต่ก่อนมึงไม่เห็นมองนู้นนีมันเร็วไวะละ่ะตบแล้วคนว่ามันไปทางไหน ท, ทันทีไม่เห็นเลยเร็วขนาดนั้นสัตว์ตัว น, นี้เนี่ยโอ้ะเล่นนะตัวนี้แหละตัวมันกินคนนี่ ต่อไปต่ออย่งนั้นไปก็ไม่นานเขาก็ค้ามันแต่แกไม่เป็นไรหรอกแขนมัน ม, มันไม่เข้าแา่ธรรมดาจะจะไม่กวนเรื่องมีดเรื่องอะไรนี่ฟันแกไม่เข้าแทนแก็ไม่เข้าแต่เป็นนักเลงโตอยู่ก่อนเป็นกำนังอยู่บ้านสามผงกันแล้วมันคือเรื่องความรวดเร็ ว, วของตะอันนี้มันเร็ว มันฉลาดมันไปที่ไหนกันไปอยู่ที่ไหนมันมีเด็ยโอ้ยแต่ก่อนมันเหมือนทุกวันนี่นะ่ะมันมันป่าเสือดงเสือทั้งนั้นนี่นะ่ะไปที่ไหนนีแต่อย่างนี้นะ่ะท่านทั้งว่าท่านท่านสมุกรสมัติมากที่สุดเลยจะไม่กราบท่านลาบจะจะทําไงมันเป็นอยู่ในหัวใจมันยอมมันการาบลาบท่านเป็นผู้บุกเบิกให้ทุกอย่างนี่นะทุกย่าอลําบากขนาดไหนล้มผูกมัดนี่ลําบากมากที่สุดเลยนะในบนรรดา อุปบาตจารในสมัยนี้มานี่นะหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาเนี่ยหลวงปู่มันม่นเป็นที่หนึ่งที่ที่ททลําบากมากที่สุดลำบากลำบันมากเวลาท่านเล่าเนีโอ้ผมน้าตาร่วงเหมือนกันนะถึงความลำบากลำบากของท่านไปบางทีเดินป่านี่บางทีหลงทางคือของช้างทางขงช้างมันเหยียบแหลกหมดลงทางเราเป็นดันๆไปเนี่ยทางขงช้างมันมาเนี่ย แหลกหมดไปก็หลงทางจรินไปไม่ถูกนอนข้างดงนอนเลยก็รกันว่างกันกเรื่องข้าวนเราเคยกินเมื่อเคยอดมาพอแล้ ว, วอยว่างนี่ตูุกิจงไรกันว่างกันี่พูดถึงเรื่องว่าแต่ก่อนมันไม่มีถนนทางไปไหนกันมันกระบุกไปงั้นแหละทางพอเป็นดันๆ ท, ทั้งถ้ามีแค่ความสังเกจริงไม่ได้ต้องหลงกันวางกันคือเขามีถากไม้นิดๆนิดเลยไปในโดงจริงดนะยเราจะสังเกตเราเขาถากไม้ถา มันเป็นด่านไปนี่นานๆนานคนจะไปทีหนึ่งถ้าไม่มีรอยกุยหมายป้ายทางบ้างไปไม่ถูกเพื่อนใจมันเป็นทางยิ่งไม่เป็นมันลบาบากยากลำบากนี่จริทีนี้ยิ่งโขงช่างผ่านเข้ามาแล้ะแหลกหมดไม่รู้ว่าทางอยู่ไหนจะต้องเดินลัดเ ล, ะละาะไปหาจนไปเจอนั่นแต่นี้บางทีมันไม่เจอหันว่างนั้นหลงไปเลย ไปบ้านนั่นบ้านา น, นี่ยแถวจังหวัดเลยแถวนี่มันี่แถวนี่ทั้งท่านเที่ยวไปหมดนี่กหนเลยไม่มีบ้านผู้บ้านคนเหมือนทุกวันนี้ไปเป็นวันๆก็ไม่เจอบ้านคนมีท่ใช่จะกี่ปีมาแล้วหกเจ็ดสิบแปดสิบปีตั้งนี้หรือจากนั้นมานี่น่ะเป็นแต่แค่ผมบวชมาห้าสิบปีนี่สภาพมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วท่านยิ่งก่อนหน้านั้นนีก ถึงว่าโอ้ท่านองค์ผู่ม่านนี่สมุกสมบัตมากจริงๆหน้ากล่าวไหว้วูชาอย่างถึงใจเลยนะท่านเป็นผู้บุกเบิกให้พวกเราแม้งั้นทุดงค์ขวัดพวกเราจะเอ า, เ อ, า, เ อ, าอะไรมาปฏิบัติเพราะว่าที่มีในตำราไม่มีผู้พาดําเนินมันก็อยู่อย่างงั้นแล้อย่างที่เราเห็นนั่นนี่ท่านพาดําเนินท่านสมุกสมบัต ม, มาก่อนยิ่งดูอย่างเดินไปตามทางอย่างนี้เขาไปหาอยู่หากิน มาเจอท่านแต่คือรองวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปเป็นอย่างนี้นะเกีเยนไปนั้นนะั่ น, น, นความจริงนั่นอ่ะคเขาตื่นพระธรรมกรรมฐานมันไม่ไม่มีแต่ก่อนมันก็มีอนะ่ะมีแต่ท่านบุกเบิกทุวกวันไปไหนใ ค, ใครก็สร้าง ม, มดอีกกรรมฐานนะ่ะเพราะนั้นท่านี่อยู่ท่ามสริการนี่เป็นเรื่องพิจารณามากนะมันเล่าอะไรอะไรเพราะนั้นผมึงองตามไปดู แต่เดอันนี้เวลานี้นั่นถ้ำเฉาีิการนั้นมันมนครนายกนั่นพื้นมันเขาปรับใหม่หมดแล้วมันไม่เป็นนั่นแหละก็ยังเหลือแต่เพดานเพดานถ้าหมดแค่นิดเดียวเล็กๆที่ท่านเข้าไปดูท่ า, านว่าท่านเล่าให้ฟังนอนที่นี่ผมไปดูเนื้อเนี่ยเขาทําห้องไว้ได้เล็กๆนั่นถึงนั่นแต่พื้นเนี่ยเขาลาดที่เมนหมดแล้วนะพื้นหนอนลากหมดไม่รู้ ผมไปเห็นผมงงกับที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วก็มาเห็นนี่ทําไมเงนี้เป็นคนโลกผมก็เลยซากใหญ่เลยแล้วป่าไม้เนียนไปยังไงไแต่ก่อนมันไปยังไงเราเราโอ้ยไอ้นี่มันป่านี่มันเหลนมันเขาวางกั้นนะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานมันมันเหลนมันตาเหล่าหนี้แน่นแต่ก่อนไม้เขาขวางกันเขเล่าให้ฟังนี่ถึงผมถึงได้เชื่อก็ไปดูกับที่ท่านเล่าให้ฟังกันเราเขียนนั่นเนาะ มันเป็นคนโลกนะเนี่ยกำเราไปเสร็จนี่ต้นไม้ที่ ท, ที่ที่เราฆ่าแต่ว้่ายฆ่าแต่ว่ายวาดาพไว้นั่นนะมันไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่เกิดต้นไม้อะไรที่ว่าเนี่ยทีเขาว่าเหรนนั้นมันใช่แล้วยอมรับเลยบอกเข า, าอุย้ยนี่มันเหรนมา้าเหมืนกันไม้เขาโค่นลงนี้ติ้งลงไปโน่นเขาเอาไปใช้ก็มีเยอะว่างั้นนะมีขนนดนี้ขนอ น, ขนอด น, น, อดนี่เขาว่านยน้อนฟังผมต้งได้เชื่อ ดงทั้งนั้นแถวนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งวันหมดลูกมันก็หมดหลานมันก็หมดเหลือแต่เหลนอนี่แหละเนี่ยดูเอาผมทะเลากับชื่อวะเนะพรามันมันะมันเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเน่ะฟังอาดูก่อนระยะเราไปสองสาวันมันี่กับสมัยลุงปู่มั่นอยู่มันมานานตลอดเลยไปดูนะดูนี่ประชงธรรมะสังเวดถึงบุญถึงคุณท่านครับผมมาไม่ใช่อะไรนะ มันถึงใจจริงๆนะครับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นไม่มันล่มไปยังไม่มีอะไรเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นท่านได้ยินว่าท่านอยู่ที่ไหนผมจึงต้องซอกซอนเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงที่ถึงที่ถ้าพอไปได้ยังไงผมต้องไปครับเพราะผมไปด้วยความเคารพจริงๆไม่ใช่ไปธรรมดาเ mm hmm. มื่อคนายกนี่ผมก็ไปค่านเนิการที่มันสรดสังเวียนเรามากก็คือว่าไอเสาเทวทัศน์มันอยู่บนหลังอันนี้อุตามดนี่ยในผม โอทำได้ลงคอทำได้ลงคอก็มันอยู่ในห้องนั้นอันนั้นเสานมันอยู่บนให็นเห็นอี่บนหลังผมก็เลยทุเรียบปัดทถปัดทบปัดทบเป็นท้ำในลงคอเนี่ยพระได้แค่นะโอ้ย่างๆไปปรุงทําวมาสั่เยอะผมก็เลยทานที่หนึ่ทานที่เขาล็อกซุดมาจ่ายผมเนี่ยพอคนเล่าถึงเรื่อง กิทุงผลร่วมใหญ่นะ่ะอ๋อมันร่วมใหญ่เพบบานเดียวท่นวาน่ะแล้ววเหมือนกับว่าโลกกัทนนบ ท, กท่านี้ขาดทุกวันหมดเลยลงมัดเลยทันวะน่หละตอนนี้ที่มันอะไรกันโลกหายเนี่ น, นีนี่มันเป็นแตเพียงว่ารูปร่างเฉยๆนะที่ว่าถ่านชฎิกาขึ้นไปนั่นนะไอ้ขึ้นไปนัน เขาก็ปลูกจนไม้ใหม่ขึ้นหมดแล้วที่ว่าเลนเลนน่ะถูกแล้วไม้เครื่องปลูของเราอยู่เช่นอย่างไม้ขนุนบ้างไม้อะไรบ้างเขาปลูกตามขึ้นไปมันก็เก่าไม่มีแล้วแต่เราก็จำเอาที่เขาพูดนี่ฟังอย่างชัดเจนนั่นนะบอกว่ามันเลนม้านี่เขาว่าภูเขาตรงนั้นตะก่อนนุ่มมันก็เหมือนกันกับอันนี้วม่ตีกันภูเขาที่ท่านมาท่านไปเที่ยวท่านท่านบอกว่าท่านออกจากนี้ท่านไปเที่ยวบนหลังเขาไปนู่น แลไปหาลูกนั้นลูกนี้นั่นลูกหนึ่งมันมีจริงจริงคือไปเที่ยวนู้นคำข้ามนี้ท่านนี้ลงมาท่านว่าพวกกลิงนี่ใหม่เต็มไปหมดนั่นแล้วไปคราวนี้มันเหมือนกับพุ่มมะเขือนั่นสิคนมาแล่านั้นนั่นกับท่านเล่าน่ะมันเป็นคนละโลกเราเขียนก็เหมือนกับว่าโกหกโลกนะพูดง่ายๆเราเองยังงงเขียนตามเรื่องของท่านนีดเล่าให้ฟังแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ พระอันจินเดชักถามเรื่องราวนะพอเราฟังแล้วจินเดตายใจผมหนะักไม่มันไม่รู้กี่รุ่นแล้วที่ถูกทําลายลางไปมันวเพราะว่าอันนี้มันจะว่าเป็นตรงกับว่าอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ว่าถูกทำลมันมีผู้เขาลูกหนึ่งมาอย่างนีน้แล้วลูกของท่านอยู่นี่มันมีถ้ำนีนะ้ขึ้นไปรับกันแต่ชนกันอันนี้มัน มันดื่นๆออกมาเ น, นอนนะกระท่ำเวลาท่านบอกว่าท่านเวลากลางวันท่านไปเที่ยวคุยไปบนเขาบนางลังท่านไม่อยู่ที่ที่ถ้ำท่านวางนั้นนะไปอยู่นู่นลหลังเขาแล้วก็ไต่าตามเขาลูงนั่นไปอยู่แท่านบอกวันมีเข า, า, าอยู่ข้างล่างแล้วก็ไต่เขาขึาข้น <c oughs> ไปอยู่นู่นสบายบเงียบวะตกเย็นๆท่านลงมาคือท่านจนะภาวนา อง น, นี้ละเราไปก็เห็นเขาต้นก็เห็นแต่ต้น น, นั้นพาแม่อาจารยนมั่นเป็นผู้ลำบาก บ, บนที่สุดในสมัยปัจจุบันขนาดที่ท่นเป็นที่แรกเป็นมันม่นเองบางบุราจะเข้าได้เขาเสียนสุดยอดจริงๆคั้งกับไปเป็นอยู่ที่เชียงใหม่ผมมันลืมเมาก็ตอนที่ว่าไม้ต้นนั้นชื่อว่ายไงไงจริง แต่ท่านอยู่ไม้ต้นเดียวโดดเดียวนะที่ท่านเป็นในคืนมันนันคืนความโลกธาตุออกจากใจนั่นไม่ไถามมาเป็นต้นอะไรยังใหม่มันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะทุกวันนี้กัแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนยางไงสภาพของป่าของโลกนอกจากจากลึกๆ้าไปจริงๆนั้นอาจยังมีแต่ลึกขนาดไหนคนมันก็ไม่มีใครที่จะลึกยิ่งกว่าคนแหะ มันไปได้หมดบ้านอานั้นเห็นเต็มปไปตามอลลอดสุเทพเข้าไปนู่นที่พระตำหนักภูพิงเข้าไปเข้าไปลุกบ้านคนเต็มหมดแล้วนั่นอย่างนั้นแล้วบ้านคนมีที่ไหนมันบุกเบิกที่นั่นหรืว่าไมันถึงว่ามันเปลีป่ยนแปลองอย่างห้วยแก้วนี่ครั้งว่ามันมีแต่น้ำไหลลงมาธรรมดาแช่แช่แม่แช่แช่่แช่่ แต่ก่อนโอ้โหท่อน้ํามันพุ่งจากนู่น่ะลงนู่นท่อมขนาดนี้มันพุ่งพุ่งเหมือนกับน้ําตกลงจากรางน้ําแล้วนะพุ่งลงนั่นมันเป็นชออเขาลงมาแล้วพุ่งตกถึงนี่จากนู่นถึงนี่มันเป็นท่อมาเลยนะมันพุ่งพุ่งเราเดินเราเดินก็มาชั่วงระยะยังไม่ถึงนี้ ตะใกล้อะไรนักล่ะครับท่อน้ําที่มันไหลตกลงไปนัน้นนะโอ๊ยมันหนาวตัวสั่นไปเลยทีว่วาเดี๋ยวนี้มีที่ไหนเนี่ยท่ออย่างนั้นไม่มีนะเดี๋ยวนีน้มันหมดมีแต่น้ามันไหลแช่แช่ช่ช่นั่นผมหมายถึงหน้าแล้งนะไม่ใช่หน้าฝนะ่ะเมษาผมขึ้นไปผมยังไม่ลืมเดือนเมษาที่ว่าท่อน้ําเนี่ย มันเท่ากับอะไรกองเพนนี่พ่อมันใหญ่ขนาดนั้นพุ่งลงลงตัวหินหินดานเสียงไม่ได้ยินอ่ะใครไปนั่งแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ไ, ได้ยินแต่เสียงน้ามันต่ำเป็นห้วยแก้วไม่มีบ้านสักหลังเดียวหลังตันเลยห้หวยแก้วเนี่ยไม่มีบ้านแม้หลังเดียวเลยมีแต่ดงกต่ป่าทั้งนั้นแต่โน้น แต่นั่นนะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนีให้ก็รู้นะเปลี่ยนขนาดไหนเปลี่ยนแปลงเคลียร์มาหาลวงแล้วาหาอะไรที่เขาทําทเลที่บ้านเต็มห้องแก้ๆนั่นแต่ก่อนไม่มีแม้หลังเดียวเลยเป็นดงเป็นป่าหยางถนัดชัดเจนเต็มวัดก็เ็จมันก็เดินมาก็มาถึงวัดเนี่ยสันติธรรมที่เขาสร้างวัดเนี่ยสันติธรรมสันติธรรม นั่นบ้านคุณพระอาสาอยู่ตรงนั้นทุ่งนาเนบ้านคุณพระอาสาอยู่เดียกคุณพระอาสาเพราะเป็นโยมกระถางวัดเจดียหลวงอยู่ตรงนั้นทุ่งนานบ้านหลวงหางทุ่งนาเลยางานข้าดนั้นจําได้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงใน <c oughs> หนความเปลี่ยนแปลงเรามดุดพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงจังทําให้ยุตกเรื่อง พระมันจะอยู่ยังไงต่อไปนี้นะอรักษาป่ารักษาเขาก็ยังที่เราว่ามันเลยมันสลุดสองเวรหมือนกันนะผมพอได้ยินเนี่ยบอกรักษาป่ารักษาเขาเป็นภัยต่อพระพระเป็นภัยต่อเขาอะไรเขาถือว่าเป็นภัยต่อเขาไม่ให้พระพาวอยู่เพื่อจะเห็นความโชกกระปบของเขาความเร็วล่าของเขาเขาไม่อยู่นันจะมาตัก อันนี้หาเรื่มงแบพระเป็นไปไปดูไปไปดูอยูมันไม่มีอะไรเรื่องั้นแล้วหมดไปหมดเข้าไ ป, ม, าไปมียังมีทางนี่ั น, นที่ผู้หลวงผมไปดูว่านั้นบอกทาดีลวให้ทาดีไปดูเวลงว่าไปดูนาลีนาวไปดูทำเลย ที่นมันเหมาะพอสมควรเราทำไปพักเราเป็นทั้งเจอะ ด, ดูไปดูให้ดีเที่ยวดูให้หมดหน้าผมเลยบอมทำเลยหากว่ามันเหมาะสมที่นั่นลราจรงจะจไปสร้างสำนักพันทรสักแห่งให้เป็นสำนักป่าล้น้วนร1อยเอร์เซ็นมายุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างนะนั่นนี่นี่เหเป็นป่าธรรมชาติสถานที่ เมสมธรรมชาติทานจงมรมเรียบอยู่ไม่ต้องรู้ล้าอะไรให้รู้ล้าในธรรมนี่วะไอ้นี้มันไม่มีหายอย่างนั้นจะไม่เจอจะว่าไงให้รู้ล้าแบบที่วาดมันเป็นแบบโลกเป็นหมดแล้วเนี่ยแต่วัดป่านะจะพูดเหนือเราไม่ไะพูดแล้ววัดบ้านแล่นะการ คือการสอนผมก็สอนทุกเแง่ทุกมุมเรื่องภาวนาอันผู้ไปภาวนาไปยังไงลุงผมสองขนสามขนไปจะไปเล่าเรื่องประเสิดเรื่องอ า, าจซจันให้ฟังเพียงกับตร ง, งนั้นปั๊บเท่านผมสะดุ้งแล้วท่านตรงนี้บางท่านจะเป็นบ้าแล้วนี่มันเกี่ยวกี้ยางไงเนานะทำไมท่านี้มันโพุ่งออกมาได้มีวะนี่สิมันจําเป็นอะไร ท, ไทําไม่จริงไม่ได้หงไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้หิว ไม่ในแสดงกิริยาอย่างนั้นมาถึงขาวเราที่ควรจะพูดถึงควรจะนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันพอดีพอเหมาะพองามนั้นนะทาเป็นอย่างนั้นมอันนี้พอขึ้นไปแล้วไปพูดอย่างนั้นไหมผมฟังเลมันผมได้สะดุดใจเกลิกเลยเพราะเราไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้ไม่เคยพูดแบบนี้ทั้งๆ ท, ที่เรากับพ่อแม่ครอูอาจารย์ตัยใหญ่กันเราก็ไม่เคย เลิกกันะเลื่อย่อ